ب ิ سم الله الرحمن الرحيم an حمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد أسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต na um ah uh. ิ ความจเจริญเจ้าอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องนะครับผู้ที่มาศึกษาวิชาทัศซ์ศิลในวันนี้ทุกทา่านเนื้อหาในวันนี้นะครับอยู่ในซุลฮันไจจุ ร, จรินะมัใชะอิบราฮิมนะเอกสารผิดไปหน่อยนะครับอายะนะถูกแต่ชื่อซุลฮ์ผิดในเอกสารนะครับซุลฮันไจจุ ร, จรินะครับอายะที่ยี่สิบสองถึงอายะที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอาะ อะไรอายาเพาว่าอายาะะสั้นถ้าเป็นอายา ย, ยาวๆบางทีก็แค่สอ ง, งสามอายาซุระอันฮิจรีนะครับอายะที่ยี่สิบสองถึงอายะที่ยี่สิบเจ็ดนะตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าต้นกำเนิดของของสิ่งมีชีวิตอายะ t h นี่นะครับพี่น้องมันไปเกี่ยวโยงกับสัปดาห์ที่แล้ว น่าจะลืมมาแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงชั้นฟ้าและก็แผ่นดินขอหลอกนะก็คือมหาศาลแห่งการสร้างหอหลอกขอ ง, ของรพรผู้เป็นเจ้าสาเหตุที่ต้องพูดถึงสัญญาณต่างๆเหล่านี้จะเป็นฟ้าเป็นแผ่นดินเป็นดวงดาวเป็นน้ำเป็นทะเลเป็นภูเขาเหล่านี้คืออายากเหมือนกัน อายะห์ตัวอ่านก็เป็นอายะห์ะเป็นองค์การข อ, อง Allah เวลาอ่านเวลารศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ศึกษากับพระผู้เป็นเจ้าอายะห์ตัวอ่านก็เป็นสัญญาณเป็นองค์การของ Allah เช่นเดียวกันธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเนี่ยนะครับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายก็เป็นอายะห์เหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย อย่ามองว่าจะศึกษาสัญญาณของเลาะต้องศึกษาตบาเซตก็อ่านอย่างเดียวนะคนที่ศึกษาธรณีวิทยาจะเป็นแผ่นดินเป็นแร่ธาตอะไรกันแล้วแต่ที่มนุษย์ศึกษาในโลกนี้เนี่ยสามารถกลับไปหาผู้เป็นเจ้าได้ทั้งหมดฉะนั้นเวนลาส่งลูกส่งหลานศึกษานะวนพี่น้องให้กำลังใจนะครับทุกคนมีค่าทากัน บางคนอกเรียนศาสนาสิประเสริฐกว่านะเรียนสามันก็ประเสริฐเพราะว่าเขาศึกษาอายาขา อ, องอัลลอฮ์เหมือนกันสัญญาณต่างๆข อ, องอัลลอฮ์บนดุลยานี่เหมือนกันคราวที่แล้วเราพูดถึงท้องฟ้าดวงดาวแล้วก็แผ่นดินนะในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงการสร้างขอ ง, ของพระองค์ต่อเป็นอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับโอซิเบชตานเลยในอายาที่ยี่สองอัลลอฮ์บอกว่าหัอัลซันันริยา และเรานั้นได้ส่งลมนะเรียกเป็นพระอุคคลลมลมหลายหลายชนิดลมต่างๆไม่ใช่ลมแบบเดียวนะลมมันหลายหลายแบบลาว่าเกฮ้หัคำว่าลาเกี้เนี่ยถ้าใช้กับพืชแปลว่าผสมพันธุ์อะไรล่ะผสมเกสร พื้ก็ไม่ะช่ผสมพันธุ์ใช่คนกับสัตว์นะอะไรที่มันผสมกันนะนะครับมันจะออกดอกออกผลอย่างที่ายอีกทีหนึ่งฝรั่ซันนามินัสสมาอีมาอันหลังจากนั้นเราก็ให้ฝนให้น้ํามาอันเนี่ยลงมาจากฟ้าฝรั่งสไนนาอุมูหูและเราได้ให้น้ํา แกพวกท่านจริงๆคืออัสกอยนากุ้ม um. นะแต่ว่ากุ้มกับหู้เนี่ยนะเวลาติดกันเนี่ยในภาษาอับกฤเขาจะมีกระบวนการให้เสียงมันห้วนไปอัสกอยนากูมูหู um uh นะก็คืออัสกอยนากุ้ม um. นะครับฝนลงมาน้ำลงมาจากฟ้าและเราก็ให้มันหล่อเลี้ยงพวกท่าน วัามาอันตุ้มละหูบีคอซีนีนและพวกท่านนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่เก็บหรือว่าสะสมมันไว้อายานี่พูดถึงฟ้ากับฝนแลว้วก็น้ำเพราะว่ามันการเรียลลำดับของกุออ่านนี่น่าสนใจในรายละเอียดแต่ก่อนพูดถึงฟ้าแล้วก็แผ่นดินวงฟ้าก็มีดวงดาวมีอะไรไปแล้วก็แผ่นดิน นะพุตธิกรรมของแผ่นดินที่มันขยายตัวออกไปหลังจากนั้นก็พูดถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและก็แผ่นดินมีฝนแล้วก็มีลมนะอลัลลอบอกใช้คำาริยะลมต่างๆลมเนี่ยมัน คำว่าลมเนี่ยในความเข้าใจคนตัวไปก็คือสิ่งที่ออกมาจาพัดลมง่ายๆคือมีพัดลมเย็นนะแต่ลมคำว่าลมเนี่ยในความเข้าใจจริงๆแล้วหมายถึงอากาศด้วยแล้วก็ลมเนี่ยมันมีนกลไกการเคลื่อนที่ของมันอุณหภูมิก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นลมที่ก็อ่านกล่าวใช้คําว่าริยะเป็นพระอุคต์แปลว่าลมแบบต่างๆ บางทีความเร็วน้อยๆเฉยๆพอแรงขึ้นนหน่อยอา้าวเป็นพายุพายุในปะัจจุบนันก็แบ่งระดับอะไรละ่ะโซลารดิเวอชันไต่ฝุ่นเอนฮอริเคนลักษณะแบ่งกันละเอียดเต็มไปหมดลมมีหลายแบบอัลลอฮฺทรงมาคำที่น่าสนใจคำ ว, ว่าลาวาก้ฮ คำว่าลาเกียดเดิมๆเนี่ยหมายถึงอูตัวเมียที่ตั้งครรภอะไรที่มันพร้อมที่จะมีผลผลิตออกมาเนี่ยนะต่อมาใช้กับพืชตั้เกี้แปลว่าการการเอาพืชเนี่ยมาผสมกันเอาเกรสรตัวผู้ตัวเมียตั้นเลี้ยงมาผสมกันในภาษาไทยในเอกสารภาษาไทยเนี่ยเขแปลว่าและเราได้ส่งลมผสมเกรสร อ่านดูเนี่ยก็คือลมลมมันพัดมาใช่ไม่มแล้วก็ทําให้เกสรตัวผู้ตัวเมียในต้นไม้เนี่ยมันผสมกันต้นไม้มันมีตัวผู้ตัวเมียนะครับของกับสัตว์แหละแค่นี้ไอ้สิ่งที่เอาให้มันผสมกันเนี่ยนําไปผสมกันเนี่ยบางทีก็เป็นสัตว์เป็นแมลงเป็นพืชบางทีก็เป็นลมในภาษาไทยแปลแบบนั้นผมไปค้นตันซีดได้ลหลายครั้งลหลายหลายหลายต้นซีดเนี่ย ปรากว่าส่วนมากเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกษรคําแปลว่าเกษรผิดไม่ไมผิดเป็นความหมายหนึ่งแปลได้แล้วก็ตรงกับพฤติกรรมของลมแต่ที่น่าสนใจคือในทับิษส่วนมากเนี่ยตอนแรกคิดว่าอ่านผิดไปอ่านไปอ่านมาไม่ผิดเราว่าเกี้ตรงที่ไม่ได้แปลว่าพืชแต่แปลว่า เขาเรียกว่าการตั้งการที่เมฆเนี่ยลมมันพัดใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้เมฆเหมือนกับประสมพันธุ์ก็คือว่ามันอิ่มตัวพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝนอิบนุมัสโวอธิบายแบบนี้อินุมาสุอธิบายแบบนี้ปตาดาอธิบายแบบนี้ตับซีดที่ผมใช้อินุอาชุอธิบายแบบ น, บ น, บบบนี้คือถ้าแปลว่าเกสรก็ไม่ผิดเพราะลมมันทําให้เกสรเจอกันแล้วก็ผสมพันธุ์กันแต่ในตับซีดส่วนมาก ส่วนหนึ่งอย่าแปลว่าสุดมากเดีย๋ยวจะผิดพลาดส่วนหนึ่งอธิบายว่าเราว่าเกีย้ยสิ่งที่มันจะผสมกันจะออกมาเนี่ยในที่นี้ไม่ใช่แค่สอนดอกไม้แต่หมายถึงเมฆลมมันพัดอา้าวเราต้องถามก่อนว่าฝนเกิดจากอะไรตอนที่สมัยประถมมัธยมเรียนกันเใช่ไหมมีน้ําไอ้น้ํำลอยตัวขึ้นไปพอกิมตัวก็ตกลงมาเป็นฝนถ้าเราว่าเกีย้ยตรงนี้หมายถึงพฤติกรรมของก้อนเมฆเนี่ย น่าสนใจมากก็อ่านอธิบายถึงปรากฏการณ์การเกิดฝนลมหรือว่าน้ําที่มันลอยขึ้นไปอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยในที่นี้หมายถึงลมด้วยพฤติกรรมการก่อตัวของฝนเนี่ยมาจากลมที่มันหอมลมที่นี่หมายถึงอุณหภูมิเนี่ยนะเอาอะไรละอองน้ำเอาแรงขึ้นไปข้างบนแล้วก็กินตัวหลังจากนั้นก็ฝันสัญนาเมณสมาอีมาอันแล้วก็ตกลงมาเป็นฝน น่าสนใจนะคำพี์ทงางศาสนาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วอธิบายการก่อตัวของของน้ำฝนนะครับละวาเกีสรุปแล้วแปลได้สอนความหมายถ้าเป็นทั่วๆไปก็หมายถึงลมพัดเกสรดอกไม้ผสมกันเืิผลผสมกันแต่ว่านักรับชีตส่วนหนึ่งหลายคนเลยแหละไม่ใช่ส่วนน้อยอธิบายว่าละวากีตัวนี้ไม่ใช่ เกสรสต่อมาผสมกันแต่เป็นการก่อตัวของฝนลมมันพัดขึ้นไปฝนมันก็นเหมือนผสมพันธ์เก็บหนักๆตัวก่อนที่ตกลงมาเป็นฝนนะครับฟาอัศกนากรูโม่พอฝนตกมาแล้วเนี่ยเราก็ทําไมเอออัศกรนากรูโม่ให้น้ําเนี่ยมันรอเลี้ยงพวกท่านพอมาอันตุ่มลาหูบิคอซินีนและพวกท่านไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ผู้ที่เก็บกักมันไว้ตรงนี้แปลว่า อ, อย่างไง ระบบของอัลลอฮ์เนี่ยก่อฝนขึ้นมาบอกด้วยน้ำวนลมมีผลต่อการก่อฝนจะพาให้เมฆมาตกหรือว่าเป็นการหอบลม ล, ล้นเล็บอุณหภูมิที่มันร้อนเนี่ยให้ก่อตัวเป็นเมฆฝนเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นตกมาเป็นฝนแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจริงอยู่ให้ประโยชน์กับมนุษย์แต่ในขณนะเดียวกัน อ, อัลลอฮ์ฝนตกมาแล้วไม่ได้หายไปเลยแต่อลัลลอฮ์เป็นคอซีนี เก็บน้ําเหล่านั้นไว้ในแหล่งน้ําต่างๆคนที่ตกลงมาไปไหนบ้างพี่นอ้องอะรที่ใส่โอ่งทันก็ใส่โอ่งทันมนุษย์เนี่ย ท, ทําทางส่วนน้อยมากแต่ที่เหลือนี่ไปไหนบ้างซึมลงไปที่แผ่นดินไหลลงไปบางทีไปอยู่ในบอ่อบางทีไปอยู่ในแม่น้ําบางทีไหลรวมกันเป็นทะเลนึกออกมาไหลลงทะเลไปฉะนั้นคนที่คอซีนินเก็บกักน้ําไว้เนี่ย คือ Allah. อ l ล a h อายะนี่อธิบายถึงกรบวนการของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่แต่การเกิดผลการตกลงมาลงมาอย่างไงแล้วเก็บกับอย่างไงหลังจากนั้นก็เวียนไปใหม่แล้วเหยขึ้นไปเป็นเป็นเมฆไปไลต่อไปด้วยกับสิ่งตรงนี้เองพี่น้องครับมนุษย์ก็มีการสังเกตแล้วก็แล้วก็เรียนแบบเกิดการชนลประทานเกิดขึ้น ถ้าเราเนี่ยพี่น้องอาศัยแก่ฝนตกอย่างเดียวนะเย็น yeah. คือไอ้ช่วงที่มาเยอะมันก็มาจนท่วมไอ้ช่วงที่แล้งก็ไม่มีใช้มนุษย์ก็สังเกตธรรมชาติว่าเออเราจะเอาอยัางไงดีเนี่ยไอ้ฝนที่มันมาเยอะเนี่ยเยอะเกินไปจะกักยังไงและช่วงที่ไม่มีก็เอาอธิกรรมมาใช้ก็เกิดระบบชนระทานเกิดขึ้นเออมีเขื่อนมีฝายตดน้ํามีมอ่างเก็บน้ํา ตั้งแต่อดีตไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะตั้งแต่อดีตเลยบางคนทําเป็นฝายไว้ฝายก็คือกั้นน้าไอที่ล้นก็ล้นไปเขื่อนนี่ล้นไม่ได้นะล้นลราพังฝายกับเขื่อนนี่ก็ต่างกันอ่างเก็บน้ําก็ต่างกันมีระบบต่างๆมากมายสังเกตจากบอ่อที่มันมีเนี่ยในโลกนี้ในบอ่ออะไรที่มันเป็นบึงเราก็สังเกตเรียนแบบ หลังจากนั้นเราก็สังเกตว่ามันก็มีคลองมีแม่น้ําส่งน้ําไปได้เราก็เรียนแบบเป็นท่อส่งน้ํา เ, เป็นนู่นเป็นนี่นี่คือการใช้ประโยชน์ของมนุษย์จากน้าําอัลลอฮ์บอกพวกท่านจริงๆมันจะเป็นผู้ที่เก็บไว้หรอคนที่เก็บน้ําส่วนมากไว้เนี่ยคืออลัลลอฮ์ฉะนั้นคําออฟัสกายนากูมูให้น้ําหล่อเลี้ยงพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ให้ฝนแค่ฝนตกแต่หมายถึงระบบน้ําในโลกนี้ทั้งหมด น่าสนใจมากเขาอ่านพูดถึงน้ำพูดถึงฝนแล้วก็พูดอย่างละเอียดไม่ได้พูดแค่สั้นๆนะพูดนะว่าฝนมันเกาะฝนมันก่อโตอย่างไงเมฆมันมายัางไงตกมาแล้วไปอยู่ตรงไหนนี่คือนี่คืออยะก็อ่นถามว่าการอธิบายแบบนี้บางคนเนี่ยบอกว่าเออธิบายแบบนี้มันก็เป็นแนววิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเราคองข้างจะมาท้าทายว่าการตั้ซีนแนววิทยาศาสตร์เนี่ยมันดูทางสมัยแล้วก็ไปได้กับยุคสมัยจริงๆแล้วการอธิบายแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ให้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ให้ประโยชน์ด้านการศรัทธาด้วยให้ยังไงล่ะหนึ่งก็คือเห็นความยิ่งใหญ่ของล้ออนุภาพของล้อสองถ้เราเข้าใจว่าการเกิดน้ําเกิดฝนเนี่ยมันมีนกลไกแบบนี้ มีรายละเอียดแบบนี้ฉะนั้นน้ําฝนฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่การอธิบายรายละเอียดของธรรมชาติเป็นการปิดกั้นการตั้งภาร์เคียพอมนุษย์ส่วนมากเนี่ยเมื่อไม่มีความเข้าใจในธรรมชาติแล้วก็อธิบายโดยใช้ความเชื่อแล้วก็จินตนาการทําไมน้ําฝนมันตกมาละ่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจรายละเอียดเราก็ใช้ใช้ความเชื่อเช่นมันมีพระวิรุณมีเทพบาเจ้าอะไรสักอย่างแหละพราะเราไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยอา้าวทาไมดวงอาทิตย์เดี๋ยวขึ้นแล้วลงถ้าเราทราบรายละเอียดเราก็จะไม่ตั้งภาคีมองมันเป็นแค่ปรากฏการณ์พอมีความรู้แล้วคนไม่งม ง, ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราอย า, ากจะอธิบายเราก็ใช้ความเชื่ออา้าวมาถามผลถามผมว่าทำไมแผ่นดินไหวล่ะ ตอนผมมีความรู้ด้านตอนนี้ผมอธิบายเอาแกนโลกมันเคลื่อนกันแล้วแต่แต่ถ้าผมไม่มีความรู้ละ่ะทำไมแผ่นดินไหวผมก็ใช้ความเชื่ออธิบายเช่นความเชื่อมีเยอะของไหนที่มีปะดุเอกตัวยักษ์อยู่ในแผ่นดินพอขึ้นมันไหวทีก็แผนวัวมันก็ไหวไปด้วยหรือว่ามีเทพเจ้าอยู่เกิดความโกรธต่อนมนุษย์ก็ไหวไปด้วยตำนานและความเชื่อนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ขาดความเข้าใจไม่เข้าใจรายละเอียด กูอ่านไม่ได้ไปดาว่าความเชื่อเรานั้นโดยตรงแต่แก้ปัญหาโดยการให้ความรู้ให้รายละเอียดหลังจากที่ผู้ศรัทธาหรือผู้ไม่ศรัทธากันแล้วแต่อ่านอายะตรงนี้จะเข้าใจกระบวนการการเกิดฝนแล้วกั ร, ระบบน้ำของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยพอเข้าใจแล้ว ไม่ต้องมีพระวิรุฬนึกออกไหมไม่ต้องมีเทพเจ้าบนฝนบนฟ้าเทพเจ้าของน้องของบึงของแม่น้ำเพราะมันเป็ น, นกลไกทางธรรมชาตินี่คือสาเหตุที่ก้ออ่านอธิบายรายละเอียดต่างๆไว้ถ้าบอกว่าล่อสร้างฝนก็จบ หนึ่งออกไหแต่ว่าไม่พูดเท่านั้นอนธิบายเพิ่มเติมว่ากลไกแล้วก็กระบวนการเป็นยังไงให้ความรู้เพื่อดึงมนุษย์ออกดึงออกจากควา ม, มงมงายฉะนั้นผู้ศรัทธามั่นใจครับว่าบนเมฆบนฝนเนี่ยไม่มีภาคีไม่มีเทพเจ้าไม่มีเจ้าเล็กไม่มีอะไรอยู่แต่ว่าเป็นระบบการสร้างของอัลลอฮ์ฉะนั้นอายะห์ก็อ่านที่เป็นแนววิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ให้แค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ส่งเสริมด้านความเชื่อด้วย ขจัดพาคีที่มนุษย์อาจจะคิดไปว่ามันมีโดยการสร้างความเข้าใจนั่นคือลมฝนแล้วก็แหล่งน้ำของเรานะเป็นระบบที่ใหญ่มากถ้าผมมีความรู้ด้านด้านน้ำมากกว่านี้ผมก็จะเข้าใจอายะก์ของเามากกว่านี้นึกออกไมตอนนี้ผมก็ถามว่าจบวิยาศาสตร์นัไม่ได้จบก็ศึกษาอ่านปกติแต่ถ้าผมมีความรู้เกี่ยวกับน้ำมากกว่านี้ ผมจะเข้าใจอายะห์หอเลาะมากกว่านี้นึกออกไหมฉะนั้นลูกหลานพี่น้องบางคนเก่งด้านฟ้าด้านดินเนี่ยเป็นการศึกษาทางสามัญเนี่ยคนเหล่านี้ก็ใจสัญญาหอเลาะมากกว่าคนเรียนศาสนาในบ้านแง่งนูง้เพราะเขาอยู่ตรงนั้นใสายตรงถ้าข้างก้นน้ามผมอ่านรายละเอียดตรงนี้มากกว่านี้เวาลกากรรมฐันอ่านอายะห์นี้ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นคนที่มีความรู้ยิ่งลึกซึ้งศรัทธายิ่งเพิ่มขึ้น นะครับสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานนะเอา้าในอะายาที่ยี่สิบสามครับหัวอินนาละนักโนูนฮีวานูมิตแน่แท้แท้จริงเรานี้หมายถึงอนะัลลอฮ์นะโนฮีให้ชีวิตให้เป็นวานูมิชแล้วก็ให้ตายอวานานุนวาริซูนและเรานี้เป็นผู้ที่คงอยู่เหลืออยู่ แปลว่าในขณะที่สิ่งอื่นมังคลุกสิ่งถูกสร้างต่างๆมีเป็นมีตายอลัลลอฮ์คือผู้ที่ดารงไว้ไม่ได้เป็นไปนตามกลไกเกิดแก่เจ็บตายพ่อองค์คือพระผู้เป็นเจ้าดารงไว้อย่างนั้นนี่คือความหมายของอายะครนี้ถ้าเรามาดูทัฟซีตเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงการให้เป็นให้ตายในหลายๆอายะท่าพี่น้องสังเกตนะ อัลลอ์จะเริ่มต้นกับนนฮีวันดูมีตูเริ่มจากเป็นก่อนแล้วก็มาตายบางคนก็บอกว่ามันก็ปกติอยู่แล้วเพราะมนุษย์เนี่ยทำไมละ่ะเกิดก่อนแล้วก็ตายแต่ว่าการเรียนลำดับแบบนี้ต้องการชี้เห็นว่าอัลลอฮ์ยะยะการให้มีชีวิตของอัลลอ์เนี่ยเริ่มจากไม่มีผมกับพี่ น, อน้องก่อนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมาจากศูนย์นะ ไม่มีอะไรเลยแล้วจากนั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่นึกออกปะหลังจากนั้นก็จะตายตอนนี้ยังไม่ตายกันมาฟังอยู่ได้ยังไม่ตายแต่หลังจากตายไปแล้วเราก็ให้มีอีกครั้งหนึ่งชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องสังเกตอายะที่ 22, ี่สิบองอายะที่ยี่สิบสามเนี่ยเหมือนจะไม่เกี่ยวกันอันนั้นพูดถึงลมพูดถึงฝนอันนี้พูดถึงการเกิดการตายจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันเพราะอายะที่ี่สิบสองคือการเอหยาอุนอารบี การชุบชีวิตแผ่นดินแผ่นดินที่มันตายไปแล้วเอาละให้ฝนตายมันได้แห้งแล้งไม่มีพืชพันธุ์เนี่ยเอาละให้น้ําให้ฝนมาตกลงไปแล้วมันก็มีชีวิตขึ้นมามีพืชผลมีความเขียวชอชีขึ้นมาเช่นเดียวกันการชุบชีวิตมนุษย์เมื่อกี้ชุบชีวิตแผ่นดินในอายะห์ที่ส2แต่ในอายะห์ที่ส3ามเป็นการชุบชีวิตมนุษย์ขึ้นมาการให้ชีวิต นี่คืออำนาจของของพระผู้เป็นเจา้านะอายา22ให้ชีวิตกับแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินอายาที่23ให้ชีวิตกับมนุษย์เห็นไหมเวลาถ้าเรามองให้ลึกเนี่ยอายาก็อ่านแต่และอายาในการเรียนลำดับมันมีความผูกพันกันหลังจากนั้นก็ให้ตายชีวิตที่มีผมกับพี่น้องเนี่ยอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวก็ตาย นะครับแต่ว่าหลังจากผมพี่น้องหรือสปปรรพสิ่งทั้งหลายสูญสลายตายไปหมดแล้วเนี่ยโวนั่งด้นวาไรซูแต่อ l l a ยังคงอยู่ทำไมใช้คำวา่วาไรทูลวซูลุม็าคำว่าเอซูนหรือว่ามีราสแต่ว่ามารดกแต่มารึงใช้คำนี้มันคนงงมารอาบมเป็นแบบนี้สมมุผมมีมารดกเจ้าของทรัพย์ตายแต่มารดกยังคงอยู่อ่ามัน ให้ความหมายว่าคงอยู่อันบัก็ในขณะที่หาทรัพย์มาเจ้าของทรัพตายตามรอดกอยู่ทรัพย์สินยังคงอยู่เช่นเดียวกันสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้บังเกิดให้ตายเนี่ยมันสูญสลายไปหมดแล้วนะแต่ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยยังคงอยู่ความหมายมันมาแบบนี้อธิบายแบบนี้เป็นัยยะทางภาษาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไง นะครับการที่เรายกสองอาย่านี้มาเนี่ยเพื่อต้องการบอกวันดาผู้ติสตามพงคีคนเหล่านี้ปฏิเสธว่าการฟื้นคืนชีพเนี่ยเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันคนหลายกลุ่มก็เชื่อแบบนี้อยู่ตายแล้วจบจบแล้วจบเลยนะครับถ้าอยากใช้จบทาําไงให้มันตายนึกออกมครัสมมติเลือกตั้งเนี่ยไม่ถูกกันหัวกันงงกนนัแนนจะทําให้มันจบทาําไงให้มันตายเก็บมันซะ หรือว่าเรามีปัญหาแก้ไม่ออกหนี้สินเต็มในหมดทำยังไงให้ปัญหามันจบฆ่าตัวตายพอตายแล้วมันจบแต่ว่าบางคนก็เชื่อแบบนี้นะผู้ที่ตั้งควาคินในอดีตไม่เชื่อว่ามนุษย์ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาตายแล้วคือจบแต่ในอิสลามเนี่ยเราศรัทธาเป็นหลักศรัทธาพื้นฐานเลยว่าเรามีวันอาคีรักแปลว่าตายไปแล้วผมกับพี่น้อง ไม่จบจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสอบสวนการตอบแทนดังนั้นอลัลลอ์ผู้ที่ให้ชีวิตแก่แผ่นดินได้แล้วก็ให้ชีวิตกับมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตได้ก็สามารถที่จะให้ชีวิตฟื้นขึ้นมาในวันไอคราะได้เหมือนกัน เพราะการฟื้นขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นเป็นการให้ชีวิตครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเราสร้างจากไม่มีเลยเนี่ยให้มีชีวิตแล้วครั้งที่สองสร้างชีวิตจากที่เคยสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าถูกไหมทำครั้งแรกเนี่ยเรามันมีประสบการณ์ขายขายของครั้งแรกเนี่ยต้นทุนกำไรขาดทุนไม่เคยเลยขายไปเจ๊งบ้างได้กำไรบ้างแต่พอครั้งที่สองเรามีประสบการณ์ง่ายกว่าเดิม ถ้าอาลัลลอฮ์ทำครั้งแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยผมกับพี่น้องไปการสร้างครั้งที่หนึ่งเนี่ยทำได้แล้วทำไมครั้งที่สองหลังจะตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาลัลลอฮ์จะทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นการตอบโต้บรรดาผู้ที่ผู้ที่ปฏิเสธอายะสั้นๆนะแต่ว่าแง่คิดลึกซึ้งหลายมุมวันเราก็อลิมนาและแนแทนี่อายะที่ยี่สิบสี่นะครับอันุสตดีมีแนะมินกุม เราเนี่ยทราบรู้ถึงผู้ที่มาก่อนจากพวกท่านผู้ที่มาก่อนคือคนรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นปูญาตายาที่เสียชีวิตไปแล้วคนก่อนหน้านี้พันสองพันปีห้าพันปีกันแล้วแต่ลูกสัตว์ดินมนุษย์บินกุ้มคือส่วนหนึ่งจากพวกท่านมนุษย์ก่อนหน้านี้ที่ที่ตายไปแล้วที่สูญสลายไปแล้วเนี่ยทําไมเออวอร์แลกับอารินนาเอาล่ะว่าเราทรนน า, าบ วรลก็อลินนาและเราก็ทราบเช่นเดียวกันวอลก็ตี่เน้นความหมายนะทราบจริงๆอันมุสตะคิรินคนที่มาข้างหลังเราเนี่ยอยู่ตรงกลางไอ้คนทีมาข้างหลังยังไม่รู้เลยใครจะเกิดลูกผมจะมีกี่คนต่อไปจะมีหลานกี่คนลูกพี่น้องจะบนตระกูลพี่น้องจะมีกี่คนในอนาคตยังไม่ทราบแต่ว่าทำไมละ่ะแต่ว่าอัลลอฮทราบ อาญานี้ในความหมายคื อ, อยังไงก็คือว่าในการนวดฮีวานูนิตุให้ชีวิตแล้วก็ให้ความตายหรือว่าให้ปัจจัยเลี้ยงจากน้ําจากฝนเนี่นะอาล้องเป็นผู้ที่อรอบรู้คนที่ตายไปแล้วเท่าไหร่อาล้องไม่ใช่ให้ตายอย่างเดียวนะแต่ยังทราบรายละเอียดของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่คือคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า ในขณะเดียวกันคนที่จะมีชีวิตต่อไปหลังจากนี้ลูกหลานที่ยังไม่เกิดแล้วมันจะเกิดมาเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าการให้ชีวิตขอร้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอร้องเป็นผู้ที่ทราบจําได้ไหมว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงการสนทนาระหวา่างนบีบรหิมกับนบูรุตนบีบรหมบอกว่าเรา บ, บิยันลยดีทําไมอะพระผู้พระเจ้าของศาสนาเนี่ยทาไมเอ่ยให้เป็นแล้วก็ให้ตายโยฮีว่าอยู่มี้ตู่ ฟิร์อาวก็บอกว่ามาจากฟิร์อาว์านัมรูก็ก่าฉันก็นฮิวะยูมีตูโอฮิวะอุมีตูฉันก็ให้เป็นให้ตายได้เหมือนกันเหมือนกับอัลลอฮ์แต่ว่าไม่เหมือนเพราะคราวที่แล้วอธิบายถึงระบบการสร้างของอัลลอฮ์มันเมาซูนให้เป็นให้ตายแบบสมดุลนัมรูธทําไม่ได้และในขนาดเดียวกันการให้เป็นให้ตายของอัลลอฮ์ในอายานี้ก็อยู่ภายใตย้ความรอบรู้ของอัลลอฮ์ ว่าไอ้คนที่ตายไปแล้วเนะี่ยมันตายอีกคนตายยังไงแล้วก็ไอ้คนที่จะเกิดต่อไปข้างหลังมันจะมีใครมาบ้างนี่คือความหมายของการให้เป็นให้ตายที่แท้จริงไม่จะให้เป็นมีชีวิตอย่างเดียวให้ตายอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตแล้วก็ความตายอะไรละเอียดทั้งหมดนั้นอยู่ที่อลัลลอฮ์ทั้งหมด อ, อัลลอฮ์ทราบทั้งหมดไม่ใช่การกระทาแบบไม่มีแผนการนะถึงเวลาก็ตายตายถึงเวลากกิดเกิด แต่อลัลลอฮ์เป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดถ้าดูสามอายะนี้แล้วอัลลอฮ์ให้ชีวิตเกิดแผ่นดินได้อลัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายได้แล้วอลัลลอฮ์ก็ทําไมล่ะทราบทั้งหมดว่าใครที่เป็นติดตายจะ ก, ก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้กันแล้วแต่ฉะนั้นเมื่ออลัลลอฮ์มีความสามารถขนาดนี้แล้วเนี่ยการชุบชีวิตในวันกิยามะมันเกิดขึ้นแน่ มันคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราตายไปแล้วเนี่ยคนมันเยอะอัลอาฺจะพาสักคนหนึ่งเราอาจจะรอดกันแหละแต่ไม่ได้อัลลอฮฺสร้างทั้งหมดและกระชุบชีวิตคนทั้งหมดขึ้นมาเพื่อจะได้อาบการสอบสวนเห็นไหมไมันเป็นระบบหมดเลยไม่นจะแก่เป็นให้ตายแต่ว่ารายละเอียดของคนที่เป็นหีืตายเนี่ยอัลลอฮฺสร้างทั้งหมดการเป็นการตายนี่พี่น้องมีความสํำคัญนะ มนุษย์ทราบความสําคัญนี้เราจึงมีแจ้งเกิดแจ้งตายแช้งเกิดกี่วันใครมีลูกอ๋อทําไมต้องแจ้งเกิดลูกผมเกิดแล้วทําไมล่ะแล้วอำเภอมายุ่งอะไรกับลูกผมทําไมผมต้องแจ้งนึกออกไหมหรือว่าบางคนบอกเมียผมตายญาติผมตายแล้วทําไมผมต้องแจ้งมันเรื่องส่วนตัวทําไมต้องไปแจ้งตายแจ้งตายเนึ่ยต้องแจ้งให้ไวนะแจ้งเกิดผมจะไม่ได้กี่วันแจ้งตายจะไม่ได้กี่วันแจ้งเอิดจำไม่ได้แล้ว สาิบวันด้วยว่าแต่แจ้งตายมันต้องไวกว่าตายแล้วรืมแจ้งเลยคนก็มาเช็ ก, กว่าตายผิดปกติไหมขัตกรรมไหมหรือว่าตายปกติไอการทําตรงเนี้เป็นแค่ทำอะไรประชากรน่ยส ม, มโนเออส ม, มโนประชากรข้อมูลตรงนี้ในพี่น้องมีความสําคัญมากมันกําหนดในหมดว่าคนตอนนี้ประชากรเท่าไหร่จะพัฒนายังไงข้อมูลตรงนี้มีความมนุษย์ทราบว่าเพื่อนจะทราบว่ามีความสําคัญตมีสา ม, มโนประชากรเกณฑ์ทหารยังไง อ้าวปีที่จะใช้ทหารเท่าไหร่เกณฑ์ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทราบว่าเอ้ยตะลงคนที่จะมีอายุจะเกณฑ์ทหารเนี่ย ม, มันมันมีกี่คนแล้วทราบจากไห น, นทราบจากการเกิดการตายเนี่ยแหละแล้วภาษีกี่คนประชากรกี่คนกรุงเทพมีกี่คนเชียงใหม่กี่คนแล้วเราจะแบ่งทรัพยา ก, กรยังไงเลยละเอียดเหล่านี้เนะี่พี่น้องมีความสําคัญมากมนุษย์ทราบพื้นมนุษย์ทราบว่ามันมีความสําคัญจึงมีการรวบรวมฉะนั้น เมื่อกลับมาดูการงานขอรอดเนี่ยมันละเอียดนะไม่ใช่การเกิดการตายการทําอย่างเดียวแต่เราข้อมูลตรงนี้เนี่ยถูกเก็บละเอียดน่าอรรรชเลยทุกวันนี้เราเช็คได้ว่าใครบ้านนี้มีคนเช็คได้ที่เบีนบ้านและในวันกิยามาเนี่ยอรรชจะมีความรู้ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเช็คได้หมดเลยอายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดปีสองเดือนสามวันละมาเกีก่ยววักระตู กอดอเท่าไหร่อ้ที่ม่ะมาเท่าไหร่บวชกี่เดือนค่ากี่เดือนใช้ไปแล้วอันที่ไม่ใช้นี่สินรายละเอียดตรงนี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่จะถูกทบทวนสอบสวนในวันเกียมะเกิดขึ้นแน่ๆ น, นะทาไมถึงแน่ใจละ่ะว่าเกิดขึ้นแน่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันพอหมดข้อมูลพอไหมพอหมด ก้อนอะลิมนานมูสตัดดีมีนเป็นกลุ้มหรือก้อนอะลิมนานมุสตัดเครรนได้ข้อมูลพร้อมความสามารถพร้อมไหมพร้อมเพราะอะไรละ่ะหนุนุนฮีว่นุมีตัวว่าหน้นุนวาเรซูนให้เป็นให้ตายมาแลว้วความสามารถมันไม่มีมีตัวอย่างไหมอยากเห็นตัวอย่างเดีย๋ยวว่าแต่ชีวมนุษย์เลยแผ่นดินเนี่ยดินเนี่ยอันล้อก็อทำไมละ่ะให้มันมีชีวิตได้ด้วยกับฝนด้วยกับน้ําฉะนั้นมาในเน่ยการสำสวนในวังเกียร์มา เป็นการตอบคำถามของผู้ที่ไม่เชื่อว่าจะมีการคืนคืนชีพหลังความตายเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะมาดูในอายะที่ห้าสิบยี่สิบห้าเกี่ยวไปอีกวัยนนรับบากาแท้จริงพระเจ้าของท่านนั้นฮัวยชูรุฮุมเป็นผู้ที่รวมพวกเขาไว้วอินนูฮกีมุนอาลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ตัดสินฮักีม ผู้ตีปีชายานอาลีมเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดหลังจากชุบชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมาได้ชุบมาแลว้วในทุนมาชัดเนี่ยมาเช็ดพอเดินขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินโตเตนโตเตนะไอ้คนนี้ไปตะ ว, วันออกไอ้คนนี้ไปตะ ว, วันตกไม่ใช่นะพอฟื้นคืนชีพ ข, ขึ้นมาแล้วเนี่ยฮัชรุนเยามุนฮัชรีหนึ่งในชื่อของวังกิย马 ม, มนุษย์จะถูกรวมกันเอามาไว้ด้วยกันเพื่อจะทําการตัดสิน พี่น้องดูจากอายะที่ี่สิบสองถึงอายะที่ยี่สิบห้าสี่อายะอาะสั้นๆไม่ถึงบรรทัดบางอายะนีดน้อยกว่าครึ่งบรรทัดแต่อธิบาย แ, แต่การสร้างขอร้องฝนน้ํามาถึงการศรัทธามาถึงชีวิตแล้วก็มาถึงการฟื้นคืนชีพและการสอบสวนก็อ่านใช้สี่อายะเชื่อมโยงความหมายทั้งหมดแล้วก็ เห็นภาพชัดเจนนี่คือนี่คือโมอีซาเมื่อออกไหนะครับพูดเรื่องฝนก็ฝนอยู่ดีๆเราพูดเรื่องฝนพูดไปพูดมาเอ้ามาเกี่ยวอะไรกับวันกิ亚马เกี่ยวยังไงล่ะเนี่ยก็อ่านนําเสนอผ่านสีอายะอายะสั้นๆเลยนะเนี่ยไม่ถึงบรรทัดสักอายะหนึ่งว่าอายะครึ่งบรรทัดน้อยกว่าครึ่งบรรทัดก็มีนี่คือโมอีซาฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยก็อ่านถึงท้าทายว่า ถ้าจะต่อต้อตานมุฮัมมัดนะนะไม่ต้องทําสงครามไม่ต้องมีสงคร า, า, ามบัดสงครามบุฮุดไม่ต้องมีเลยก็ไปหาคนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาซึ่งในมักกะมีอยู่เต็มไปหมดนักกวลนักกวีมีเต็มไปหม ด, กกม เ, มหมดเก่งๆนั่นๆรงตัวกันถ้ามนุษย์ไม่พอไปลากเอายินมาด้วยก็ได้แล้วก็มาแต่งกุรอานให้เหมือนกุรอาน ทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสักบทหนึ่งทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสักอายะห์นึ่งก็ยังทำไม่ได้นี่คืออันกรอนนะครับอายะห์ที่ยี่บสอง 22, ถึงอายะห์ที่ยี่สิบห้านะความหมายชัดเจนต่อมาครับในอายะห์ที่ยี่สิบหกผมต้องดูบ่อยๆเพราะในกาไม่มีนะวัลเราก็เดารักนั่นอินซานะและเราได้สร้างมนุษย์ มินซ้อนซอลินถ้าเป็นอ่านต้องมินอิกวานะอันนี้ผมแปลก็เลยไม่ได้ลงเสียงจากซ้อนโซลคือดินแห้งมินฮามาอินมัสนูนซึ่งเป็นดินที่มีสีดำแล้วก็คำว่ามัสนูนเนี่ยอย่าที่บายฟัง mas มัสนูนบางคนบอกว่าหมายถึงอะไรละ่ะ มัสบูบก็คือว่าถูกก่อร่างสร้างตัวบางคนหมายถึงว่าระยะเวลาทิ้งไว้จนมันแห้งอันนี้คือการสร้างมนุษย์อลัลลอฮ์สร้างมนุษย์เนี่ยพี่น้องซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนอ น, อ น, นี่แปลว่าอย่างไงบางคนอ่านอญญายะบางอญญายะบอกสร้างจากตีนตีนเนโตออยานูนอันนี้มาซ้อนซ้อนแล้วตรงมนุษย์นี่มาจากไหนกันแน่เป็นแบบนี้พี่น้อง ดินจะมันมีหลายแบบปีนเนี่ยคือดินที่มันมันเหลวอยู่นะดินเนี่ยถ้าปล่อยให้แห้งก็จะเป็นซ้อนซอนดินดินเยวไปต้องดินเนียวดินนูดเหลวมามาตั้งอันนั้นคือตีนหลังจากนั้นพอมันแห้งแล้วเนี่ยสาหรับเรียกว่าอนซ้อนมันุษถูกสร้างแบบนี้ดินที่มันแห้งดินเหลวที่มันมันแห้งมินฮามาอิน ามาอินเนี่ยเป็นลักษณะของดินแปลว่าดินที่มันดำแล้วก็มีกลิ่นนี่มนุษย์นผมกับพี่น้องมาจากสิ่งเหล่านี้นะมัสนูนมัสนูนเนี่ยบางคนบอกว่ามาจากคำว่าสนาสนาแปลว่าปีระยะเวลาหมายถึงการที่ดินเหนียวกลายเป็นดินแห้งเนี่ยก็คือปล่อยไว้ตามระยะเวลาพักหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็น มัสนูนปล่อยไว้จนถ้ามันแข็งแล้วกลายเป็นรูปล่างคือดินมันเป็นแบบนี้พี่น้องดินนานาถ้าเอาอยากแช่มันแห้งไว้ทาไงพี่น้องทำไงมีไว้วันนั้นอบเออตากแดดมานานดินแห้งมนุษย์คนพบว่าจะดินเนี่ยเราปั้นให้เป็นรูปล่างหลังจากนั้นจะให้มันแข็งทําไงเข้าเตาอบมันจะมี เขื่องชามสังกะโลกสักะโลกใช้วิธีนี้หมดนี่ออกไหมพอให้ความร้อนปุ๊บดินแห้งเป็นรูปร่างใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่าในกระบวนการสร้างมนุษย์เนี่ยไม่ใช่กระบวนการแบบนั้นก็อาอ่านใชกไหมครับมัสนูนอันนี้คือว่าเราอารามนะตอนเร า, าสร้างมนุษย์ไม่มีใครทราบหรอกแต่ว่าข้อมูลที่มีเนี่ยเราตีความแบบนี้ว่าเราอารามวิศวะถูกต้องผิดก็คือเราเราใช้ความเข้าใจตามนี้ ไม่ใช่คำสิ่งที่ผมพูดจะถูกต้องร้อปซ็น ะ, ออนะก็อ่านใจคาว่ามัสนูนต้องการจะบอกว่าไอาการที่เป็นดินเหนียวแล้วจะแห้งเนี่ยต้องย้ำอีกทีนะนี่เป็นทัศนาของผมนะแล้วก็จากข้อมูลที่ผมได้จากดินเหนียวที่จะแห้งเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีแบบที่เราใช้ในการทําไอ้เครื่องปั้นดินเผาระยะเวลาที่เป็นการค่อยๆแห้งแล้วก็กลายเป็นรูปร่างของมนุษย์ เมื้อออกไหฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถูกสร้างจากสิ่งที่ลักษณะแบบนี้เป็นดินเหลวแล้วก็แห้งด้วยกับด้วยกับระยะเวลาซึ่งดินตรงนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นดินที่ดำดินมันมีหลายแบบนะดินก็ขาวดินโปง่งดินอะไรก็มีนะเป็นดินที่ดำแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็พอแห้งแล้วนกลิ่นมันก็จางๆลงก็กลายเป็นรูปร่างของมนุษย์ นี่คือการสร้างของล้อซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดมากหรอกมันเป็นขั้นตอนเป็นการางานของล้อทราบจากสิ่งที่กูอ่านบอกนี่คือการสร้างมนุษย์ในอายะที่ 27, ี่สิบเจ็ดอเลาะอธิบายต่อแล้วยินสร้างยังไงวันยานะ่าก็คือยินนี่แหละทําไมเอ่ยคอยลักนาผู้มินกอบลูกเราได้สร้างมันก่อนหน้านี้ในอายะนี้เนี่ยบอกว่ายินถูกสร้างก่อนมนุษย์ มินาริซุมูมจากไฟยินทูกสร้างจากไฟมีสิ่งที่พี่น้องคุ้นเคยกันดีแต่ในอายั น, น่าสนใจใช้คําว่าซุมูมซุมูมแปลว่าลมลมร้อนลมที่พัดมาแล้วมีความร้อนขึ้นมาเนี่ยก็อ่านอธิบายเพิ่มในอายัปกติในความรู้ปกติมนุษย์ถูสร้างจากไหนจากปีนจากดินเหนียวเราทราบเอยินทูกสร้างจากไห น, น, น, ห น, น, ถ, ไหนถูกสร้างจากไฟ เราทราบ ป, ประมาณนี้แต่สองอายานี้เนี่ยให้รายละเอียดเพิ่มเติมสร้างจากดินเหนียวก็จริงแต่ว่าดินเหนียวตรงนั้นใช้ระยะเวลาในการค่อยๆให้มันแข็งตัวเป็นซ้อน ยินแต่ก่อนเราได้ข้อมูลว่าสร้างจากไฟแต่ในอายานี้เราทราบเพิ่มเติมว่าเป็นนาริซุโมงนอกจากไฟแล้วมีลมร้อนด้วยนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากการสร้างยินรายละเอียดเน่ยมันมีใครทราบหรอกแต่ว่าเราเราศึกษาจากข้อมูลในตัวอ่านบอกสุมโมงเนี่ยแปลว่าลมร้อนพี่น้องลมกับไฟเน่ยเกี่ยวอะไรกันอ่าพี่น้องที่ว่าลมกับไฟเกี่ยวอะไรกันถ้าลมเนี่ยเราแปลว่าอากาศเนี่ย เวลาเราจุดไฟเนี่ยนะพี่น้องถ้าไม่มีอากาศนะไม่ติดนะเหมือนที่เราเวลาจุดตะเกียงเนี่ยมาแล้วจะดับไฟยังไงคอบคอบให้อากาศมันหายเพราอากาศมันหายไฟมันไม่ติดไฟกับอากาศมันเกี่ยวกันนั้นดูดูการสร้างมารอนสนใจมากใช่คำว่าสุรุมงุไฟแล้วก็ลมร้อนอากาศกับไฟติดเกี่ยวกันนอกจากเอ่อการเผาไหม้ต้องใช้อากาศแล้วเนี่ยลมหรืออากาศมีผลต่อไฟ มีผลยังไงพี่น้องทําให้ไฟมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้มันช่วยในอุณหภูมิได้เช่นเวลาจะต้มข้องกับข้าวเนี่ยเปิดฝาหมอ้อเดือดช้าปิดฝาหมอ้อเอาเดือดไว้ความดันอากาศเนลมเนี่ยมันเกี่ยวขอ้องแล้วก็ในเตาเพี่น้องไปดูพวกเตาเตาเผาไอเครื่องชําสังคาโลกเครื่องปันดินเผาหรือว่าเตาที่เขาหลอมเหล็กเนี่ย มันจะมีการเล่นเล่นกับลมที่เข้าไปคือทำให้อุณภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นได้โดยลมเป่าลมเข้าแบบนี้ให้ไฟมันแรงขึ้นปิดลมตรงนั้นซึ่งผมก็ไม่เก่งตรงนี้พูดไปย่อผิดแตด่เห็นว่าลมกับไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันถ้าเราสามารถควบคุมแรงดันควบคุมอุณภูควบคุมแรงลมได้เนี่ยอุณภูมิในเตาน่นอะไรก็แล้วแต่มันจะสูงขึ้น การสร้างความร้อนเนี่ยนอกจากไฟแล้วสร้างสร้างยินเนี่ยนะครับยังมีการใช้ลมด้วยปรับระดับความร้อนของไฟจะร้อนขนาดไหนกันแล้วแต่ไฟขอาร้อนอันวับนอมีหลายแบบนะถ้าไฟนรุเนี่ยร้อนกว่าเพื่อนร้อนจนกระทั่งว่าเผาตัวเองเนี่ยร้อนจนเผาตัวเองและก็ร้อนกว่าไฟที่สร้างยินเพราะยินเนี่ยมีตรงนารือนกันนะ พอตกไปแล้วไฟเจอไฟไม่เจ็บใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นไฟที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเผาไฟอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นไฟที่เอามาสร้างยินเนี่ยเป็นไฟที่ได้รับการปรับอุณหภูมิสรางได้ยังไงเพราะมีการใช้คำวาสุม่มลมใช้ลงในปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการที่สร้างยินไม่ใช่ไฟนรลกตรงๆมาสร้างยินไม่ใช่นี่คือจุดกําเนิดของของยินแล้วก็นมนุษย์ ทำไมเขอ่านพูดตรงนี้จุดกําเนิดของยินและมนุษย์ทําไมเอ่ยเพราะในสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นผมมือจ่ยายยากกันแล้วแต่เนี่ยจะไปพูดเรื่องอาดัมกับอิบลิสฉะนั้นจึงพูดถึงจุดกําเนิดของของยินว่ามนุษย์เนี่ยเป็นยังไงนึกออกไหมพอสัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาดัมกับอิบลิสอาดัมก็เป็นมนุษย์ถูกสร้างจากดินอิบลิสก็ถูกสร้างจากไฟและก่อสาเหตุที่ทําอิบลิสฝ่าฝืนคําสั่งคอนล่อเนี่ย เกี่ยวกันด้วยดินกับไฟเนี่ยเพราะถือว่าดิ่ิทคิดว่าทําไมล่ะอบาวสตกแก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่ายังไงดีกว่าละ่ะเพราะธาตุที่ใช้ในการสร้างมาจากไฟส่วนมนุษย์มาจากดินฉะนั้นจินปฏิเสธการสืบต่อดัมเพื่อจะพูดเนื้อหาในข่าวต่อไปเนี่ยก็อ่านก็เลยปูพื้นฐานให้ทราบก่อนว่าเออมันมายัางไงมนุษย์กับยินถูกสร้างยังไงเรื่องราวเด็กน้องคิดดูการเปลี่ยนหัวข้อของก็อ่านน่าสนใจนะ ค, คุยเรื่องน้ําเรื่องฝนอยู่ดีชีวิตการสร้างอยู่ดีแล้วก็ย้ายมาพูดเรื่องการฟื้นคืนชีพการชุบชีวิตหลังจากนั้นก็พูดเรื่องการสร้างมนุษย์แล้วก็ยินเดี๋ยวก็จะไปพูดเรื่องอาดัมอิบลิสห้าหกหัวข้อสับเปลี่ยนในระยะสั้นๆถ้าผมพูดในวงน้ำชาพูดกับพี่น้องกันนอกเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยเอ้าวพูดเรื่องนี้ย้ายมาเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ย้ายมาเรื่องนี้จะพูดเรื่องอะไรก็ได้ มั่วไปหมดแต่ถ้าพี่น้องอ่านตอปซิตอ่ะอายะเข้าอ่านตรงนี้การเปลี่ยนเรื่องในพี่น้องทําละเอียดมากคนอ่านไม่รู้สึกเลยว่าอ่านแล้วมันก็อ่านเอาอะไรกันแน่นเนดี๋ยวฝนเดี๋ยวไฟเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวมนุษย์เดี๋ยวยินเดี๋ยวอาดัมบลีสแต่ว่าแต่ละอายะก่อนที่จะเปลี่ยนจะมีจุดเชื่อมกันหมดนึกออกมาจากฝนให้ชีวิตกับแผ่นดินกลายเป็นการให้ชีวิตกับมนุษย์ ให้ชีวิตยกยวับมนุษย์พูดถึงความรู้ห้อล้อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งคนที่มีมาก่อนและคนที่จะมีมาข้างหลังหลังจากนั้นก็ไปพูดเกี่ยวกับการโรมตัวในวันยามากเพื่อคิดเพื่อจะสอบสวนหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงาธาตุกาเนิดของดินและมนุษย์หลังจากนั้นก็จะไปพูดเรื่องอาดัมอิมบลิสเปลี่ยนแต่ว่าหัวข้อที่เปลี่ยนเนี่ยมีความละเอียดก็คือไล้รอยต่อนี่คือนี่คือมอุอเสสที่เราสามารถจับต้องได้ อ่านกันอยู่ในมือถือก็มีในอินเทอร์เน็ตก็มีนี่คืออันตรายนะนะครับคราวนี้พี่น้องเคยถามไหมว่า อ, อ, อิบลิสเนี่ยตอนที่ม่เสอยู่ต่ออาดัมเนี่ยฉันดีกว่าอาดัมดีกว่าตรงไหนบิลิสให้เหตุผลด้วยฉันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินพี่น้องคิดว่าอิบลิสพูดเนี่ยถูกไหม อิบลิสฝากเปลี่งคราเขาล่อหนาผิดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อ้านมีเหตุผลไหมไฟนมันดีกว่าดินจริงไหมอิบลิสมันดีกว่าอดัมจริงไหมอ้าวม่ได้พูดเรื่องการสร้างเขาล่อนะอิบลิสพูดมีเหตุผลน่าคิดในอายาเนี่ยเราบอกว่าวันยานนเขาลักนาหูมินกอบลูกยินมาก่อนมนุษย์ถ้าผมเป็นเป็นยินสมมตินะผมจะมองเปรียบเทียบเนี่ยเรามาก่อนเราน่าจะดีกว่าใช่ไหม เป็นปรเด็นน่าคิดเหมือนกันยินมาก่อนมนุษย์นะมากันอยู่ในดุนยามีลูกมีหลานลบลาข้าวฟันจกนกระทั่งว่านานแล้วกี่ปีไม่ทราบ ว, ว่าเราอ่ะเ่ะนะครับหลังจากนั้นก็มีการสร้างมนุษย์กูอานบอกนะย่าที่ชัดว่ามินกอบลูกยินมาก่อนฉะนั้นก็ฟังดูเหมือ น, นจะมีเหตุผลว่ายินมันจะดีกว่ามนุษย์ก็จริงอ่ามันก็มีเหตุผลกันนะมา ก, ก่อนเน่ยมาก่อนได้ก่อนมาก่อนดีกว่ามาก่อนประเสริฐกว่า หลังจากนั้นถ้าพี่น้องมาดูในในการสร้างนะดินกับไฟอะไรดีกว่ากันเออมันก็ถือกันนานเหมือนกันผมก็บอกไฟดีกว่าบางคนดินดีกว่ากันแล้วแต่แต่ว่าดินเจอไฟเนี่ยไฟมันเผาดินได้ให้แห้งให้แตกเปลี่ยนรูปล่างได้อาจจะมองในแง่นี้นก็คือดินเผสิญกับไฟนอกจากนี้เนี่ยกระบวนการต่างกัน นะครับดไฟเนี่ยเป็นนาริ ส, สุมมเป็นไฟที่มีลมร้อนมาซึ่งลมเนี่ยสามารถเพิ่อมอุณหภูมิอะไรได้แต่ว่าการสร้างอาดัมเนี่ยปีนแล้วก็ซ้อนๆจากดินเหลวกลายเป็นดินที่แห้งเนี่ยมัสนูนใช้ระยะเวลาคือกระบวนการสร้างมันต่างกันเลยอันนี้มีการเล่นอนุณหภูมิการสร้างที่มัน ร้อน แ, แรงขึ้นแต่อาดัมเนื้อสร้างจากดินแล้วก็ดำด้วยและกระบวนการสร้างเขาใช้ระยะเวลาปล่อยให้มันค่อยๆแห้งเห็นตัวไปเองนึ่ออกมาถ้ามองในแง่นี้แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกระบวนการสร้างนะยินเหมือนจะเหมือนจะดีกว่าแต่แล้วก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอิบลิสถูกต้องนะเพราะอิบลิสฟา่าถึงคำสั่งฟาร์อตแต่ผู้ได้เห็นว่าในเหตุผลอิบลิสที่บอกว่าดินไฟดีกว่าดินเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลหรือว่าฉันดีกว่าอาดัมเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนผมไม่ได้บอกอิบริมถูกนะแต่พูดถึงถ้ามองในแง่อิบริเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันคราวนี้ในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนีพี่น้องนะครับเอ่อเราเห็นเขาเรียกว่าความเข้าใจของมนุษย์จากการสร้างขอหล่อมนุษย์ใช้ประโยชน์จากข้อได้จริงเหล่านี้ อายะ ต, ต่างๆเหล่านี้เป็นการอธิบายข้อแท้จริงนะว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงนะครับแล้วมนุษย์ก็สังเกตข้อแท้จริงแบบนี้เรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรบ้างในอายะแรกก็อ่นานบอกว่าออมะอันตุมละหูบิคอจีนจีนมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่เก็บไอ้น้ำเหล่านี้ไว้หรอกเขลอกเก็บไว้ในแหล่งน้ําธรรมชาติมนุษย์ก็ทําการเรียนแบบถ้าในประเทศไทยเนี่ยจะไปน้องไปดู ก่อนในสุขโขทยัยเนี่ยนะเขาเรียกว่าบาลายบาลายก็คือสิ่งที่เป็นบ่อเก็บน้ําไว้อาวเห็นไหมแล้วก็ในบางพื้นที่ก็มีการชนบททานถ้าไปยุทยาเนี่ยอะไรเลยแม่น้ำล้อมรอบเกาอยุทยาเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ไอที่น้ําถึงก็ถึง น, น้ไอที่น้ําไม่ถึงก็เราก็เก็บกักน้ําไว้ปัจจุบันเราได้ประโยชน์จากการเก็บกักน้ํา การจัดการน้ำเนี่ยพี่น้องหน้าฝนเก็บยังไงหน้าแรงเอามาใช้ยังไงนอกจากนี้น้ํำก็ยังใช้ประโยชน์อื่นเยอะปั่นไฟฟงไฟ ฟ, งไฟฟ้าได้ประโยชน์เต็มไปหมดนะครับนั่นคือการเก็บน้ำเนี่ยพี่น้องเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบรูปแบบที่เราสร้างไว้มนุษย์ได้ประโยชน์นอกจากนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์จากลมดินแล้วก็ไฟเนี่ยทําให้เรามีสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดเราสร้างติด อิฐเอามาสร้างบ้านใชเราเอาดินมาทําภาชนะทํายังไงให้มันใช้งานได้ทําให้มันแข็งแข็งทายัางไงจะเอาใช้ไฟไฟถ้าอยากให้ร้อนทอํางไงเอาใช้ลมช่วยเป็นเตาเผาเตาโนนเตานีดปัจจุบันภาชนะเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่กระเบื้องอะไรทํานองเนี้นะครับแม้กระทั่งแก้วแก้วมันเดิมาจากดินมาจากทรายก็เป็นธาตุที่มาจากดินเหมือนกันมนุษย์ใช้ประโยชน์เหล่านี้จากการทําะไรล่ะ ค้นพบนะจะเห็นได้ว่าสิงนงทีล้อสร้างให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมายในช่วงท้ายของเวลาเนี่ยนะครับผมทวนอายานี้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดเนี่ยหกอญญายะยี่สบสองถึงยี่สบเจ็ดซึอันทิจริงนะในอญญายะที่2ี่สิบสองเนี่ยนะครับพูดถึงลมน้ำและก่อนแหล่งน้ำของโลกนะคำที่น่าสนใจคำว่าลาวาเค่ห้าในภาษาไทยเนี่ยสวนมาก เราจะเข้าใจหมายถึงการผสมเกสรแต่ลราว่าข้ห้าในตับซีดเนี่ยมาถึงการเกิดเมฆลมทําให้เกิดเมฆก็เป็นฝนอันน่าสนใจนะไม่ได้มาบอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ว่าแง่มุมในการตับซีดน่าสนใจมากสองหลังจากพูดถึงการชุบชืดแผ่นดินด้วยกับน้ําด้วยกับฝนแล้วอลัลลอฮ์ก็ย้ายมาอนยุที่ยี่สิบสามเนี่ยพูดถึงการให้ชีวิตของมนุษย์การให้ตายให้เป็นของอัลลอฮ์ สอดค้องกับแผ่นดินเอาละให้ชีวิตแผ่นดินได้ค่าชีวิตกับมนุษย์ได้ในอายาที่ยี่สิบสี่การให้เป็นให้ตายคนที่ตายไปแล้วมุสตะดีมีนและคนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ยอันมุสตะกิรีเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแบบสุม่มแล้วก็มั่วแต่ว่าภายใต้ความรู้ของเราที่ชีวิตที่ตายไปตั้งแต่ใ น, นมีอาดัมและกี่ชีวิตที่จะมีมาช่วงตั้งแต่วันเกียมา เหล่านี้อยู่ใต้การรอมลูของอัลลอฮ์ทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์มีความสามารถขนาดนี้แล้วเนี่ยทําไมเอ่ยหัวยัชษูโรฮุมในวันเกียรมะหลังจากที่ชุบชีวิตทีนมน่มนุษย์มนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะยักษูโฮุมเอาพวกเขามารวมตัวกันแล้วรวมตัวยังไงล่ะเอามาทําไมล่ะอินนาูฮากีมุนในวันนั้นแหละอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ตัดสิน ด้วยกับความสามารถของพระองค์ยุติธรรมแน่นอนไม่ตกลนเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็อาลีมอารีมแปลว่ารอบรู้คือการจะตัดสินเน่ยพี่น้องถ้าไม่มีข้อมูลตัดสินไม่ได้เวลขึ้นศาลเนี่ยเอา้าสมนวนคดีรายละเอียดทําผิดยังไง Allah อาร์ล้ออารีมพออาลีมแล้วทําให้การตัดสินมันเป็นฮากรีมตัดสินอย่างเที่ยงตรงด้วยกับความสามารถนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในวันกิยามา นะครับในอายาที่ยี่บหกยี่ิบเจ็ดพูดถึงการสร้างยินและมนุษย์เป็นการเตรียมหัวข้อไว้พอต่อไปจะพูดอิบลิสกับอาดัมเราได้ข้อมูลเพิ่มว่ากระบวนการสร้างมนุษย์ไม่ใช่ปีนอย่างเดียวปีนไปบนดินเหนียวอย่างเดีย ว, ยยวแต่เป็นดินเหนียวซึ่งกลายเป็นดินที่แห้งด้วยกับระยะเวลาไม่ใช่เอาไฟไปลงไม่แห้งแบบภาชนะนะแต่มัสนูน โดยกับระยะเวลาดินซึ่งเป็นห้ามาอินเนื้อสนาดำโดยมีกลิ่นเหม็นด้วยมีกลิ่นเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็แห้งโดยกับระยะเวลาที่คือมนุษย์ในการสร้างยินนอกจากข้อมูลเดิมที่เราทราบมักจะท ร, ราบทางดีสร้างจากไฟแล้ววันนี้มีคําว่าสมูมด้วยสมูงแปลว่าคินนะสมูมแปลว่าลมนะครับเป็นลมร้อนซึ่ง ปัจจุบันเราทราบว่าลมกับไฟอุณภูมิความร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์และเกีเ่ยวข้องกันนะเวลาพูดถึงลมเนี่ยให้หมายถึงอากาศไปด้วยนี่คือสิ่งที่นำเสนอพี่น้องในวันนี้ครับพระมิ ล, ลาฮินเตฟิบันธิดายะอัสสลามอวาายกุมฟะห์อัลลอฮีวะบะระตะดุลล